เมื่อกี้ที่เราสวดไปเนี่ยนะมันจะมีที่เราสวดบทสวดที่เราสวดไปอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของหมวดว่าในเรื่องกายมันจะมีอาการสามสิบสองแล้วก็ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ แล้วก็เวทนาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกสุขเจืออามิตรสุขไม่เจืออามิตรทุกเจืออามิตรทุกไม่เจืออามิตรไม่สุขไม่ทุกไม่เจืออามิตรไม่สุขไม่ทุกเจืออามิตรนีเวทนามีสามเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของจิตตาจิตตา ทีนี้ในสามในสามสี่อันเนี่ยนะตั้งแต่อาการสามสิบสองคือผมขนเล็บปานนัง น, น้ำดีน้ำเหลืองสเลดเลือดเหงือมันข้นอะไรต่างๆที่เขาเข า, าอาการสามสิบสองของร่างกายเนี่ย <c oughs> เป็นเป็นองค์ประกอบของร่างกายสามสิบสองอย่างเนี่นยนะกับถาดสี่ที่เป็นตัว สร้างร่างกายขึ้นมาธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเนี่ยเป็นตัวสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตแล้วก็ธรรมอารมณ์สี่ตัวเนี่ยนะจะอุปมาให้ฟังง่ายๆให้เข้าใจอะสมมุติว่ามันเหมือนกับให้เรานึกถึงไอ เขากำลังสร้างตึกหลังหนึ่งสร้างตึกจะมีหนึ่งจะมีตัวจะมีมีคนสร้างตึกแล้วก็มีห้องตึกแล้วก็มีผู้บริหารตึกแล้วก็มีผู้อาศัยตึกสี่ตัวเนี้ย ตัวตึกตัวห้องของตึกตัวคอนโดก็แล้วกันตัวคอนโดตัวห้องของคอนโดแล้วผู้บริหารคอนโดแล้วก็ผู้มาซื้อผู้มาซื้อคอนโดแย ก, แยกออกเป็นผานาังผานากงนะแล้วก็เงินทุนเงินทุนที่มาลง ตัวตัวสร้างคอนโดอุปมาเหมือนกับธาตุสี่ธาตุสี่เนี้ยดินน้ําลมไฟเนี่ยนะเป็นธาตุสี่เป็นตัวสร้างคอนโดคอนโดคือร่างกายอันเนี้ยประกอบด้วยธาตุสี่มีดินมีน้ํามีลมมีไฟทุกอย่างบนโลกนี้เนี่ยทุกอย่างบนโลกนี้ที่ที่เกิดมาบนโลกนี้นะ เกิดมาบนโลกนี้จะอาศัยธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟเป็นตัวสร้างนะเป็นตัวสร้างสร้างคอนโดในรูปแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแหละของๆมันปั้นทุกๆอย่างขึ้นมาในรูปแบบที่มหัศจรรย์มากปั้นเป็ดปั้นไก่ปั้นหมูปั้นงัวปั้นควายปั้นคนปั้นสัตว์ปนนกปั้นปลาทั้งหมดเลยมันจะปั้น จริงๆถ้าเราดูจริงๆคือรูปแบบของธาตุสีเนี่ยก็จะปั้นเป็นรูปแบบของผู้คนที่เอาไปสร้างตึกแบบนั้นแบบนี้แบบนู้บบ น, นไม่มีผิดเลยแต่ธรรมชาติมันจะปั้นได้มหาศย์กว่าเป็นต้นไม้ก็ได้เป็นก้อนหินก็ได้เป็นน้ําเป็นดินเป็นลมเป็นไฟเป็นอะไรได้หมดเนี่ยก็เรียกว่า ต, วตัวตัวตัวสร้างเขาเรียกว่ามหาภูตอรูปรูปใหญ่ เป็นสิ่งที่สร้างรูปบนโลกนี้ทั้งหมดนี่คือกลุ่มหนึ่งผู้สร้างอันที่สองก็คือคอนโด32ชั้น32ชั้นเนี่ยอุปมาเหมือนอวัยวะ3 2ชิ้นตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าเนี่ยมันเหมือนที่เราพามันเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเนี่ยมันเหมือนกับห้อง สามบสองห้องร่างกายเราเนี่ยเมื่อธาตุสี่มันปั้นมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างห้องเอาไว้สามสิบสองห้องมันเป็นอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายสามสิบสองชิ้นเดี๋ยวจะมากกว่านั้นก็ไม่รู้แต่เอาเท่าที่รู้นะสามสิบสองชิ้นก็จะมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามนะตับไตหัวใจปอดพังผืด น้ำดีน้ำเหลืองเสลือสะเล็ดเลือด เ, อเงือมันข้นไอ้ต่างๆที่เราสวดไปนะทีก็ว่าอาการสามสิบสองให้อุปมาเหมือนห้องมันเหมือนห้องพักมันเหมือนห้องเช่าที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเนะี่ยเมื่อสร้างตึกแล้วก็ต้องมีสร้างคอนโด ม, มาแล้วก็ต้องมีห้องมีห้องเพื่อเพื่อจะให้คนมาอยู่ คนมาอยู่ได้มีคนมาอยู่ได้มีคนมาอาศัยทีนี้ใครเป็นคนมาอาศัยอ่ะผู้ที่อาศัยก็คืออาการของเวทนาบ้างนะเวทนาบ้าง น, นะ อาการของเวทนาคือการของสุขบ้างอาการของทุกบ้างอาการของไม่สุขไม่ทุกบ้างนะผู้อาศัยเราจะมีอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มกลุ่มดีกลุ่มดีกลุ่มที่เป็นกลุ่มของนะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะเป็นกลุ่มของกลุ่มที่ว่าทําให้คอนโดเนี้ย น่าอยู่น่าอยู่มากเลยเจริญรุ่งเรืองหน้าอยู่สดสวยสดงดงามในช่วงแรกๆที่เราเกิดมาปุ๊บเนะี่ยก็จะมีผู้ผู้ที่ว่าไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็ผิวพรรณเปล่งปลั่งหน้าตาสดใสยอยู่ไว้เด็กวัหนุ่มไว้สาวอันนี้ก็จะเป็นผู้ผู้มาเช่าอยู่ ในช่วงแรกที่มาซื้อสิทธิ์อยู่ในอาการสามสิบสองเนี่ยเมื่ออยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปไปุ๊บเนี่ยเมื่อกลุ่มนี้หมดกําลังก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเรียกว่ากลุ่มที่มันเป็นกลุ่มทําลายนยกลุ่มทําลายก็จะมาซื้อสิทธิ์อยู่อย่างตัวอาตมาเนี่ยมันมาซื้อสิทธิ์อยู่ไอไวรัสตับอักเสบมันมาใส่ตับอยู่ แล้วเสาเต็บบีนี่มาใส่ตับอยู่ไล่มันก็ไม่ไปมันก็ใส่อยู่อย่างงี้แหละนี่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามันมันจะมาใส่ห้องเนี่ยแล้วก็จะมาทําลายบางคนก็เลยเริ่มเมื่ออายุเริ่มมากเข้ามันจะเริ่มเป็นเรื่องเป็นโรคความดันเป็นโรคไขมันเป็นโรคเกาโรคอะไรต่างๆโรคเกาตมั่งเจ็บข้อเจ็บกระดูกเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บตามต่างๆที่มันมีอยู่ นี่คือเรว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มันจะมาอาศ <Kick> ัยเช่าอยู่เราดูนึกดีๆนะมันจะมีสองกลุ่มอีกกลุ่มที่ว่ามันคอยัะมาทาลายนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่คอยจก อ, อ, อาศัยอาศัยมาเกาะอาศัยมาก dai, ิน อ, อาศัยมาอยู่นี่ก็ผู้อาศัยนะไม่ใช่เจ้าของทั้งหมดเนี่ยเขาคือผู้อาศัยกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ดีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ดี แต่จริงๆแล้วมันก็ดีทั้งทั้งสองกลุ่มมันแหละถ้ามันเกิดมาแล้วไม่มีการทำลายเลยในยป่านี้คนก็ล้นโลกถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันไม่มีการที่จะเสื่อมสลายไปเลยเนี่ยป่านี้มันก็เป็นอะไรอะ่ะป่านี้มันก็ขยะล้นโลกอะรคนล้นโลกสัตว์ล้นโลกโลกก็ไม่น่าอยู่แต่ด้วยภาวะของธรรมชาติที่มันมีทั้งสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มของที่มันทาลายเนี่ย มันก็จะมาอาศัยร่างกายเราอยู่แล้วแต่ใครอายุมากเข้ามันก็จะมาอาศัยเดี๋ยวก็อาศัยขามั่งเดี๋ยวก็อาศัยตับมั่งเดี๋ยวก็อาศัยตาม้างอาศัยหูบ้างให้มันเกิดโรคต่างๆอาศัยตาก็โรคต้อกระจกมั่งโรคไอน้ําตาแห้งม้างแล้วมัางที่เว่าที่พวกหมอๆมาว่ากันนะมันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มันมาอาศัยในการที่จะอยู่เพื่อจะก็จะมาอยู่นั่นแหละแต่อยู่แล้วอยู่แล้วเขาอยู่ไปด้วยแล้วเขาก็ทำลายห้องไปด้วยก็นึกถึงว่าเวลาเราเราให้เขาเช่าบ้านเช่าที่ให้เขาเช่าบางทีเขาเช่าไปปุ๊บเนี่ยบางคนก็อยู่แล้วก็ทำบ้านให้เราดีมากเลยบางคนเราบางคนอยู่เหมือนกันแต่ว่า ทำลายทำลายบ้านเนี่ยทำอะไรให้ห้องเช่าอะ่ะเราก็ต้องซ่อมเนี่ยทำลายห้องเช่าทำให้เลอะทำให้เปิดทำให้สกรปรกทำให้ไปขีดข่วนอะไรเละเทะมากมายเลยเราก็ต้องไปหาสีมาทาหาอะไรมาทามาซ่อมแซมมันนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มหนึ่งฉนั้นกลุ่มแรกเนี่ยมันกลุ่มของคนพวกกลุ่มดี กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มกลุ่มไม่ดีที่จะมาอาศัยอยู่ในห้องสามสิบสองห้องของเราเนี่ยฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยร่างกายที่เกิดมาแล้วก็ต้องรับวิบากกรรมเหล่านี้ต้องหนาวต้องร้อนต้องปวดต้องเมื่อยต้องไม่สบายนต้องเป็นไข้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย นี่คือเมื่อเราเกิดมาแล้วเพราะร่างกายเนี้มาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็จะต้องสลายตัวดังนั้นอาการที่มามาเช่าอยู่นี่เขาเรียกว่า อ, อาการของธรรมจะเป็นเวทนาต่างๆจะเป็นฝ่ายทั้งสองไฟไฟสุกายทุกข์ายไม่สุขไม่ทุกข์จะเป็นเวทนาต่าง ๆ, งงไไางๆหรือจะเป็นโรคต่างๆจะมาอาศัยอวัยวะทั้งสามสิบสองชิ้นอยู่อยู่แบบทําลายบ้างอยู่แบบรักษาบ้าง นี่ก็อันหนึ่งอันต่อมาคือเมื่อสร้างตึกมาแล้วเนี่ยก็ต้องจ้างผู้บริหารจ้างผู้บริหาร <Led. S 1> จ้างบริหารนะบริห า, ารคือผู้บริหารคืออะไรคือใจเราอ่ะใจเราเนี่ยคือผู้บริหารใจเราเนี่ยคือผู้บริหาร แล้วต้นทุนที่มาสร้างคืออะไรรู้ไหมทุนะเราเอาทุนมาจากไหนเราเอาทุนมาจากไหนจึงมาเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเวิบากกรรมวิบากกรรมของเรานั่นแห ล, ละต้นทุนต้นทุนที่เรามีวิบากจึงมันจึงเป็นลักษณะของการที่ว่าพอเรามีทุนแบบนี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ปั้นมาแบบนี้ถ้าเรามีทุนแบบ ทุนคือวิบากกรรมพวกเราน่ะแล้วแต่บางบางคนไปมีต้นทุนที่จะต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาถ้าทั้งสี่ดินน้ําลงไปเขาก็ปั้นเป็นรูปของสัตว์เดรัจฉานให้เราอาศัยนะบางคนมนะีมีทุนมาเป็นมนุษย์เขาก็ปั้นร่างเข้ามาให้เรามาอาศัยนะต้นทุนนี่นคือวิบากกรรมนะแล้ว วิบากกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดอะไรเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าวสงสารเราอยู่ในวิบากกรรมที่มีวตวะวสงสารเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวครอบงำอยู่เราเลยต้องเวียนว่ายตายเกิดในวะัะสงสารเนี่ยเขาปั้นมาให้เราเกิดเขาปั้นมาให้เราตายจิตคือใครจิตก็คือผู้บริหารถ้าใจเราเองบริหารเป็นปลดหนี้ได้ก็สบายไป ถ้าใจเราบริหารไม่เป็นเป็นหนี้ต่อก็ต้องมีวิบากที่จะไปเกิดต่อจิตคือผู้บริหารนะบริหารจัดการสองเนี่ยจิตมันจึงมีหนะ้าที่บริหารจัดการทั้งหมดเลยจัดการที่จะดูห้องดูแลดูแลห้องรักษาห้องแล้วก็ต้องศึกษาผู้คนที่เข้ามาซื้ อ, อมาซื้อคอนโดเนี่ย บางทีก็คนนี้มันซื้อคนนี้ขายสิทธิ์ไปเรื่อยเปยื่อยจนกว่าจนกว่าจะหมดจนกว่าจะหมดหนี้สินถ้าหมดหนี้สินได้เมื่อไหร่ก็สบายแต่ส่วนใหญ่เราสังเกตดูนะไปไปมาเขาว่านี่สินคือการยึดถือคือการยึดติดหมดหนี้หมดสินคือการปล่อยวางมันได้ปล่อยวางกายปล่อยวางทุกอย่างได้เหมือนกับออ ผู้ที่ซื้อคอนโดแล้วเนี่ยพอขายหมดแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยไปสร้างโปรเจกต์ใหม่ต่อปล่อยนะแต่ถ้ายังขายไม่หมดเนี่ยเขาก็ต้องผูกพันกับวิบากกรรมอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วเราถามใจเราเองใจเราบริหารจัดการตัวเรายังไงถ้าใจเราบริหารจัดการไม่เป็นนะไปหลงไปหลงอยู่กับผู้ที่เข้ามาซื้อผู้ที่เข้ามาเช่า ผู้ที่เข้ามาอยู่แล้วก็ไปมาอยู่แล้วก็ไปแล้วก็เข้าไปคุกคลีหรือเข้าไปหลงเข้าไปหลงมันเข้าไปยึด ต, ติดมันในอาการสามสิบสองในโรคสามสิบสองชนิดเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆเข้ามาแล้วก็สร้างอารมณ์ให้เราสร้างอารมณ์ให้เราเวลาเราเจ็บเราไม่สบายมันก็สร้างอารมณ์ให้เราอึดอัดคัดเคืองเบือ่อหน่ายเซงหงุดหงิด แต่ถ้ามันมีถ้ามันมาอยู่กันอยู่อย่างมีความสุกสนานแล้วก็เคลื่อนเครื่งสนุกสนานไปกับมันหลงไปกับมันคิดว่ามันจะมาอยู่กับเราตลอดแล้วก็ติดไปกับมันอีกก็เสร็จไปอีกติดนี่ติดสินติดอารมณ์แต่ถ้าบริหารจัดการเป็นคําว่าทรัพย์สินทั้งหมดคืออะไรทรัพย์สินเมื่อเราบริหารจัดการแล้ว่ทรัพย์สินคือได้ศึกษาจนเกิดปัญญาเนี่ยได้ศึกษา ถ้าทั้ง4ได้ศึกษาร่างกายได้ศึกษาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจนเกิดปัญญาเนี่ยเขาเรียกเป็นทรัพย์สินทําให้ปลดหนี้สินได้แต่ถ้าหลงกับอารมณ์พวกนี้ที่มาเกิดกับกายกับใจเราอยู่ตลอดเนี่ยถ้าเราหลงอารมณ์กับมันเนี่ยมันจะเป็นหนี้สินแล้วมันอยู่ว่ารู้หรือหลงถ้าอยู่ด้วยความหลงจะสร้างหนี้ศินสร้างวิบากกรรมที่ปลดหนี้ปลดศินปลดวิบากกรรมไม่ได้เมื่อปลดหนี้หี้สินปลดวิบากกรรมไม่ได้ ก็จะไปเกิดในภพภูมิต่ออยู่ในเวียนว่ายอยู่ในวัฏจะสงสารนะแต่ถ้ามันเป็นถ้ามันเอามาบริหารจัดการจนตั้งเห็นเนะห็นความเห็นว่าตัวตึกเป็นตัวตึกตัวอาการสามสิบสองก็เป็นตัวอาการสามสิบสองตัวที่ผู้เข้ามาอาศัยหรือเข้ามาซื้อสิทธิ์เนี่ยก็เป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยเข้ามาซื้อสิทธิ์เฉย ไม่มีอะไรและตัวเราก็เป็นตัวเราจิตใจเราก็เป็นตัวบริหารจัดการไปจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของคนพวกนี้ว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันเป็นคนละส่วนกันส่วนตึกส่วนตัวตึกเป็นส่วนตัวตึกส่วนห้องเป็นส่วนห้องส่วนผู้เช่าเป็นส่วนผู้เช่าผู้เช่าผู้ซื้อน่เป็นอีกส่วนหนึ่งคือสิทธิ์แล้วก็ส่วนบริหารจัดการก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือส่วนใจถ้าแยกเห็นจนเนสัตว์เป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันล้ แล้วก็สรุปมันได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดแค่ชั่วคราวไม่ใช่เกิดอยู่ชั่วโคตรมันแค่ผ่านมาแล้วก็แค่ผ่านไปทุกอย่างทุกอย่างเกิดขึ้นมาแค่ชั่วคราวทั้งหมดเลยจะเป็นตัวตึกก็เกิดขึ้นมาชั่วคราวจะเป็นตัวจะเป็นตัวคอนโดก็เกิดมาชั่วคราวจะเป็นตัวห้องสามสิบสองก็เกิดขึ้นมาชั่วคราวเดี๋ยวก็ปุบเดี๋ยวก็สลายเดี๋ยวก็พัง จะเป็นตัวผู้อาศัยอยู่มาอาศัยอยู่ทั้งสองฝ่ายก็เกิดแค่อยู่ชั่วคราวรมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปถ้าใครเคยมีห้องเช่าเนี่ยจะรู้จักเดี๋ยวคนนี้ก็มาเช่าเดี๋ยวคนนี้ก็ออกไปเดี๋ยวคนนั้นก็กามาเช่าเดี๋ยวคนนีออกไปบางครั้งไอ้คนไหนมาเช่าแล้วมันไม่จ่ายค่าที่ค่าเช่าเราก็ไล่มันออกไล่มันออกแต่วางครั้งไอ้คนไหนมันจ่ายดีเราก็ให้มันอยู่ หรือบางครั้งมันมาจ่ายดีมันกันแต่อยู่แล้วไม่ดีเราก็ไล่ออกใ น, น, นข้างนอกนะดงนั้นถ้าเรามาดูถึงสภาพช่งชีวิตแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นของชั่วคราวแต่พวกเราเน่ะจิตถ้าจิตไม่เกิดการเป็นผู้บริหารให้เกิดปัญญานะไม่เกิดปัญญานะในการที่จะเรียนรู้สิ่งนี้ในเกิดปัญญาคืออะไรเรียนรู้การอะไรเกิดอ น, นันตดับ สิ่งได้เกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนี่แหละเป็นการเรียนรู้ให้รู้จักว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวโลกนี้เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นมันอยู่ในกฎของอนิจออนจังทุกขังอนัตตามันอยู่ในกฎของความแ ป, ปรปลี่นความเปลี่ยนแปลงตลอดยี่สิสี่ชั่วโมงทุกๆขณะยิ่งกว่าวินาทีอีกทุกๆขณะมันจะเปลี่ยนแปลงตัวมันเองไปเรื่อยๆอย่าไปยึดถืออะไรกับมัน หัดเห็นความเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจการเห็นความเปลี่ยนแปลงมันแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเหมือนเรากำลังได้ทรัพย์สินเอาไปใช้นี่เอาไปใช้นีวิบากกรรมที่เคยยึดเคยถือเค ย, เคยสําคัญมั่นหมายเนี่ยเคยจมไปกับมัน เ, นเอาไปใช้จนกว่าใจเราเองอ่ะมันจะฉลาดและก็สรุปได้ว่าทุกเรื่องเป็นของชั่วคราวไม่ใช่อยู่ชั่วโคตร มันเป็นอำนาจของวะตาสงสารเป็นอำนาจของวิบากกรรมเมื่อเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะชําระกรรมเราได้เมื่อชําระกรรมเราได้ปุ๊บเราก็ปล่อยเมื่อเราปล่อยได้ปุ๊บเราก็สบายเราก็ไม่จะไปยึดติดฉะนั้นต้องเราเร า, เราต้องเวลาเราเรียนรู้เนี่ยลองสังเกตดีๆว่าแยกสัสดส่วนให้มันชัดๆเนี่ยมันจะเข้าใจอ๋อตัวคอนโดจริงๆคือตัวธาตุสี มันเป็นเจ้าของทุกเรื่องให้อุปมาเหมือนอย่างการปั้นร่างกายปั้นสัตว์ปั้ น, นคือธาตุสี่เนี่ยเป็นตัวคอนโดสามสิบสองมันเป็นมีสามสิบสองชั้นมันเหมือนอวัยวะสามสบสองอย่างบนร่างกายเรานี้ยบนร่างกายเรานี้มีอวัยวะสามสิบสองอย่างสาเหมือนสามสิบสองห้องเหมือนสามสิบสองชั้นภายในสาสิบสองชั้นเนี่ย มันก็จะมีผู้มาอาศัยผู้อาศัยก็จะมีอยู่สองกลุ่มที่ได้กล่าวไปแล้วคือกลุ่มไฟหนึ่งคือกลุ่มไยดีอีกกลุ่มไฟหนึงคือกลุ่มไฟทําร้ายคืออาการต่างๆของโรคภัยไข้เจ็บของเรานี่แหละโรคภัยไข้เจ็บของเรานี่แหละหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานี่แหละมันจะเป็นผู้มามาเข้าเข้ามาอาศัยอยู่อาศัยอยู่ในอันเนี้ยตัวผู้บริหารก็คือตัวอะไร ตัวบริหารก็คือตัวใจเราเองเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการให้เกิดอะไรทรัพสมบัติทรัพย์สินเงินทองของใจคือตัวปัญญานให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยนะเป็นทรัพย์สินเงินทองเพื่อจะเอาไปชาระหนี้คือวิบากกรรมต้นทุนทั้งหลายทั้งปวงคือวิบากกรรมนะวิบากกรรมที่เราได้กระทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่ทำไปซ้ำๆอ่ะอารมณ์อะไรก็ตามที่เราไปเสพมันซ้ำๆอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาแล้วใจไปเสพกายก็ไปทำตามวาจาก็พูดตามนั่นแหละเป็นวิบากกรรมที่จะทำให้มันติดติดไปในจิตในใจติดไปในภพในชาติส่วนการส่วนการอะไรส่วนการเวียนว่ายตายเกิดก็คือวัฏสงสารในวะัฏะสงสารเนี่ย เราก็จะเวียนไหวาตายเกิดแล้วแต่วิบากกรรมไปเราจะไปตกตรงไหนตกในขวายเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์มนุษย์บ้างเป็นสัตว์เลี้ยชานเปรตสุรกายบ้างพบสามพบเนี่ยพบสวรรค์พบมนุษย์แล้วก็พบสัตว์นรกสามพบเนี่ยเราก็จะเวียน่ายตายเกิดอยู่ในสามพบนี่แหละจนขวาเราจะสะสมเงินทองของเราให้ได้มีมากที่สุดคือสะสมสติสมาธิปัญญาให้ได้มากที่สุด ที่จะเอาไปชำระล้างวิบากกรรมเราก็จะหยุดเราจะหยุดเราจะหยุดพฤติกรรมในการที่จะไปเกิดอีกก็ปล่อยปล่อยให้วิบากกรรมอันนี้ไปอยู่กับคนอื่นคนอื่นที่เขายังหลงอยู่เขายังไม่เข้าใจอยู่เขาปล่อยวางไม่ได้เขาก็จะเริ่มติดไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าอโอปปามาเหมือ น, นกับคอนโดเอาธาตุสี่เอาการสามสิบสอง เอาเวทนาเอาจิตเอาอารมณ์ต่างๆเนี่ยมาแบ่งเป็นสัด ส, ส่วนกันอย่างนี้ที่เราก็จะบริหารจัดการยังไงล่ะเราก็ต้องมารู้ในปัจจุบันขณะหนึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปอยู่เรื่อยๆในเวลาภาวนาพวกเราก็เลยต้องต้องมาฝึกไงฝึกตัวตัวรู้เี่คือตัวรู้ตัวเห็นนียตัวเห็นของเราเองเที่มีอยู่ฝึก ให้มันรู้มันเห็นกายให้มันรู้มันเห็นใจให้มันรู้มันเห็นอิตนะให้มันรู้มันเห็นอารมณ์ต่างๆที่มันจรมาจรไปเอาในปัจจุบันนี้เป็นหลักจาไว้เลยว่าวิธีฝึกไม่ใช่ฝึกฝึกคิดยิ่งฝึกคิดใจวิ่งเป็นวิบากกรรมใหญ่ครับอีกฝึกคิดฝึกนึกฝึกจดฝึกจำอะไรพวกนี้ยจะเป็นวิบากกรรมที่มันมันไปกันใหญ่มันไม่ได้ฝึกรู้ฝึกเห็นจริงๆไม่ได้ตรงไปที่จิตเนี่ยแต่ถ้าเราฝึกรู้ะ ฝึกรู้ฝึกเห็นหัดเห็นหัดเห็นฝึกเห็นในสิ่งที่มันเกิดเองมันมันหายเองมันอย่าไปฝึกทำนะฝึกอย่าไปฝึกทำไม่ต้องไปทํามันแล้วมันทําให้เราอาการสามไอ้ธาตุสีมันก็ทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วอาการสามสิบสองก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วใจก็มันทํำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วไอ้ผูกมาอาศัยอยู่เวทนาบ้าง อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาไปมาไปมันก็ทําให้เรียบร้อยแล้วแค่ฝึกเรียนรู้เอาปัญญาเฉยๆฝึกรู้มันฝึกเห็นมันให้เห็นมันทํากันเองอ๋อมันทำอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะแล้วหายไปอย่างนี้นะอ๋อมันเกิดอย่างนี้นะเพราะเห็นนี้เห็นนี้มันจึงเกิดแบบนี้แบบนี้ลมก็สลายตัวไปแบบนี้เนี่ยให้หัดเห็นแบบเนี้ยอย่าไปทําอย่าไปทําขึ้นมาอีกที่เราฝึกซ้อมหมายความว่าที่เราทําจังหวะเดินจงกรมรู้รูแบบต่างๆเนี่ย เราฟอเราซอเราแค่ซ้อมซ้อมที่จะฝึกรู้มันจะเฉยวิธีการไม่ทําทํำยังไงให้มันเกิดก่อนอย่าไปรู้ก่อนมันเกิดวิธีไม่ทำเลยนะให้มันเกิดก็มันเองมันก่อนแล้วเราค่อยรู้เอาเหมือนตาให้มันเกิดรูปมาก่อนแล้วค่อยรู้หูเกิดเสียงมาก่อนแล้วให้รู้เหมือนกายตอนนี้มันเกิดง่วงมาก่อนแล้วรู้มันเปล่าหรือนั่งสับประอกกับมันอย่างเงี้ยถ้ารู้กับมันก็เปลี่ยนใจเอาตัวเองไปเรื่อยอย่างเงี้ย มันเกิดมาแล้วเนี่ยเรารู้หัดรู้หัดเขียนให้ได้อันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยถ้าเราฝึกไปได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็จะได้เข้าใจเข้าใจทั้งธาตุสีนะเข้าใจทั้งอาการสามสิบสองเข้าใจทั้งจิตใจที่เป็นผู้บริหารแล้วก็เข้าใจทั้งอืมวิบากกรรมแล้วก็จะปลดหนี้ปลดสินได้เมื่อทําอย่างนี้ได้ปุ๊บชีวิตเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุข ก่อนตายนี่แหละไม่ใช่หลังตายถ้าเราทำเรื่องนี้ได้พุ๊เนี่ยก่อนเราตายนี่แหละพอเราวางได้หมดแล้วม่้งอา้าวใครจะทําอะไรกับคอนโดก็ปล่อยมันทำไปสิมันไม่เกี่ยวแล้วดีใจเราอิสระอิสระแก่กันตรงจุดนี้พออิสระปับ๊บเราก็สบายแล้วทีนี้จะไปไหนมาไหนจะอยู่ยังไงอะไรยังไงสบายนะจะกินแบบไหนนอนแบบไหนนั่งแบบไหนเดินแบบไหนสบายเพราะไม่มีหนี้มีสิน เขาไม่ต้องผูกพันกับสิ่งต่างๆเห็นตามความเป็นจริงมันทั้งหมดมันก็สบายสบายก่อนตายอย่าไปตายก่อนสบายมันไม่มีนะไปตายก่อนสบายเนี่ยหัดให้มันสบายก่อนตายเนี่ยหัดให้มันเข้าใจก่อนตายให้มันเห็นก่อนตายรู้จักก่อนตายละได้ก่อนตายวางได้ก่อนตายเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาหลังตายแล้วหลังตายแล้วมันไม่ได้ก่อนตายนั่นคือต้องรับวิบากแล้วล่ะต้องไปอาศัย ธาตุสี่ไปปั่นที่ไหนอีกก็ไม่รู้เราจะไปเกิดเปได็นอะไรอีกก็ไม่รู้โอ้โหแล้วก็ต้องมารับวิบากเดิมอีกแหละ ว, วิบากเดิมเดิมวิบากเดิมเดิมต้องหนาวต้องร้อนต้องปวดต้องเมื่อยต้องหิวต้องกระหายอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีวันจบสิน้นนี่อุปมาให้ฟังถึงสิ่งเหล่านี้นะฟังเข้าใจก็ช่างไม่เข้าใจก็ช่างฉันทําหน้าที่บอกไปแล้วละ่ะถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณก็ลงไป่หัด หัดก็หัดง่ายๆหัดรู้ทีละขณะนี่แหละรู้ปัจจุบันนี่แหละเพราะว่าปัจจุบันเป็นยังไงอดีตก็เป็นอย่างนั้นปัจจุบันเป็นยังไงอานาคตก็เป็นอย่างนั้นมันไม่หนีไปจากกันหรอกนะมันเป็นตัวเดียวกันปัจจุบันเป็นแบบไหนอนาคตก็เป็นแบบนั้นปัจจุบันเป็นยังไงอดีตก็ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> เหมือนอดีตมีแต่อนิจังทุกขังอนัตตามีแต่การเกิดและการดับใช่ไหม ปัจจุบันล่ะก <la, S 1> ็จะมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่การเกิดและการดับและอนาคตล่ะก็จะมีอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่การเกิดและการดับเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกทั้งหมดเลยเราเลยไม่ต้องไปเรียนรู้ให้ยุ่งยากไม่ต้องไปจําอะไรให้มันวุ่นวายสับสนเพียงแต่รู้เฉพาะหน้าให้มันชัดเจนเมื่อเราเข้าใจเฉพาะหน้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะเราก็จะเรียนรู้ของเราได้ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆสบายๆแล้วก็จะสบายเดี๋ยวนี้ด้วย ไม่ใช่แบบภาวนาแล้วรอให้ได้นั่นรอให้ได้นี่รอให้เป็นนั่นรอให้เป็นนี่ก่อนโอ้โหอย่างนั้นมันก็จะเป็นรอเอาก็ตายแล้วเอาเดี๋ยวนี้ยเอาสบายเดี๋ยวนี้ยเป็นหลักเอาวางได้เดี๋ยวเนี้ยเป็นหลักละได้เดี๋ยวเนี้ยเป็นหลักนมันจะดีขึ้นนก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุที่ทนฟังตั้งใจฟังนะเข้าใจได้ก็เข้าใจเข้าใจไม่ได้ก็แล้วไป ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมสามารถที่จะตดล่อยวางท่าทั้ง4อาการ32แล้วก็อ า, อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาอาศั ย, เ, ยเรียกว่าสามารถที่จะสร้างคอนโดมีอยู่แล้วอาการ32ก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีผู้อาศัยอยู่แล้วแล้วก็มีผู้บริหารอยู่แล้วก็ขอให้เป็นผู้บริหารที่หุดท้นพ้นอะไร ค้นทุกทั้งหลายทั้งปวงให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ในเร็ววันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ